โอ้นั่นนั่งไกลไปขึ้นนินดนเลื่อนขึ้นมามานั่งฟังไม่เป็นไรอย่าถามมากส่งันบ้านอยู่วัดนะอ๋อไม่ได้อยู่เลยอ๋อเหรออ๋อเหรอคนเดียวไม่เท่าส่งอ่ะ อ้าวทั้งนั้นก็ไม่มีแล้วสินะพวกอยู่วัดหมดแล้วใครจำเป็นจะต้องถามขอจำเป็นนะจิตจะไม่เข้าฐานเลยดูออกป่าวมากระสาวจิตออกนอกเลยย้ายที่เลย <laughs> ว่าไปติดเพ่งนะของเก่า <Okay. S 1> ที่ทำํำอย่าไปกําหนดมันมันแก้ไม่ออกไม่หลุดเลยหาหลวงพ่อเพี้ยนาร่างกายไปคิดคิดใช่ไหมคะคิดเลยคิดเรื่องร่างกายนะก็ตรงนี้แหละค่ะที่ที่ติดติดอยู่ว่าพอจะคิดเรื่องร่างกายมันไปปรุงเรื่องร่างกายไปก่อนนะคะปรุงไปให้มันปรุงไปเลยใช่ไหมอปรุ ง, ปงไปนี่คือผมเออนั่นแหละผมมันไม่สวยไม่งาม มันไม่เที่ยงยังไงมีรูปร่างยังไงมีสียังไงมีกลิ่นยังไองอะไรเงี้ยรถไม่ต้องเราไม่ได้กินมีรูปร่างเป็นแท่งๆข้างในมีรูลกลวงๆตรงตร ง, ตรงโคนมีต่ํามีน้ำมันชุ่มๆให้ให้ปุงเป็นเห็นอสุภะเห็นอะไรใช่ใช่พิรนานะั้นจะช่วยให้จิตเคลื่อนออกจากการเพ่งเป็นอุบาย พอมันเคลื่อนได้แล้วจิตใจทํางานปกติได้แล้วเราก็ดูจิตต่อไปว่าเพลงนี้ประติดติดคำบริกรรมด้วยค่ะติดตินเลิกได้แล้วแล้วพี่นาพี่นาภาจิตฟุ้งซ่านกลับไปทําสมถะบริกรรมอีกนะสลับไปสลับมาไอตอนที่มามามาฝึกสมถะเนี่ยก็คืออยากจะสู้กับกิเลสนะคะหลวงพ่ออยากจะสู้กับกิเลสนะคะก็คือกิเลสไม่มีใครสู้มันได้หรอกตั้งกฎไว้ว่า ให้จบเสียงหลวงตาแล้วถึงจะยอมขยับแต่พอสี่สิบ้าทีเนี่ยมันมาเลยค่ะมันบอกว่ า, าปเปลี่ยนเถอะอะไรเงี้ยฝึกผิดนะฝึกผิดใช่ไหมครับรู้สิลวงตาก็ฟังทำหลวงตาเยอะแต่ไม่เคยลห <า S 1> ลวงพอเขารูกศิษ์ท่านไปเรียนกับท่านตั้งแต่ปีสองหเคยเข้าไปท่านสอนอะไรดีๆให้หลายอย่าง เก่งนะแต่ว่าเราไม่ได้อย่างหลวงตาพุโทโธของหลวงตาไม่ใช่พุโทโธบังคับใจให้นิ่งพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็บริกรรมไปแล้วสังเกตจิตใจไปจิตใจขยั บ, ข ย, บขยื่นเคลื่อนไหวรู้ทันไปแล้วสมาธิมันจะเกิดพอเลยพุโทโธพุโทโธแล้วจิตนีไปคิดเนี่ยรู้ว่าจิตนีไปคิดแล้วสมาธิมันจะเกิด ตอนนี้ของหนูในสภาที่ก็ยังไม่ตั้งมั่นสติเอาไม่ตั้ง<อ>มันตั้งแช่นิ่งๆอยู่ค่ะนะไฝึกกันใหมที่ฝึกอยู่ไม่ถูกหรอกอกับนรมัส ก, การหลวงพ่อครับเ่าไงเออคิดว่าปฏิบัติน่าจะถูกแล้วแล้วก็เออคิดว่าน่าจ ะ, จะเจริญปัญญาได้แล้ว อยังฟุ้งไม่รู้ว่าถูกไหมรู้สึกไหมใช่อย่างฟุ้งซ่านขันได้แยกอยู่แต่สมาธิยังไม่ตั้งมั่นพออย่าฟุ้งง่ายดูออกปอดออกครับเออดูว่าฟุ้งมากขึ้นเยอะฟุ้งฟุก็ต้องทํากรรมฐานสมถะพุทโธหรือหายใจอะไรก็ทําไปครับอย่ารีบร้อนพุทโธหายใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสงบ ถ้าหวังสงบมันจะไม่มีวันสงบคิดว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทำไปสม่าเสมอจิตใจมีกำลังนะมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะจิตที่มีกำลังขึ้นมาเนะี่ยมันดูออกนะถ้าไม่มีกำลังนะมันไม่เกิดมรรคผลหรอกกำลังมีห้าตัวนะไม่ใช่กำลังสมาธิอย่างเดียวนะ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตัวใดตัวหนึ่งขาดไปไม่เกิดมรรคผลนำ้ำมสการหลวงพ่อครับ อ, อยากทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกต้องหรือยังครับรู้ว่าอยากไหมครับเห็นกิเลสเกิดบ่อยไหมมีครับเห็นอยู่ครับเห็นวยไปหัดดูต่อนะครับให่<ค>อย่างฟุ้งแหละครวญนะจุดอ่อนมากๆเลย คือขาดสมาธิกับความต่อเนื่องทำบ้างไม่ทำบ้างแต่เนี่ยต่อเนื่องมากไปต่อเนื่องเพ่งไวเฉยๆนะไม่ดมีมันจะแน่นๆใจก็ทื่อๆหนักแน่นแข็งซึมทื่อมีหลายแบบหลังๆพอเห็นแล้วมันไม่ไม่ฟืบ ม, มันแรกๆอะครับมันแรก่องมันขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยมีสติมันมีสติจิตมันก็เอรส์ขึ้นมาไม่เคยมีสมาธิมีสมาธิขึ้นมาจิตก็ตื่นตัวขึ้นมานไม่เคยแยกรูปนามได้แยกได้ก็ตื่นตัวอีกไปแยกได้เราเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ได้จิตก็ตื่นตัวอีกต่อไปก็เห็นความจริงเกิดมากเกิดผลใค่อยๆฝึกไป ไม่ยากหรอกขอบคุณครับเนี่ยวันนี้ก็มีพระลูกศิษย์หลวงพู่ทุยมาหลวงพู่ทุยภอวนาเก่งนะบอกหลวงพู่ทุยก็อ่านหนังสือฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วท่านบอกท่านเห็นด้วยทุกเรื่องเลยไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ประโมทเรื่องเดียวอาจารย์ประมมทชอบบอกว่าง่ายมันยากนะ <c oughs> <laughs> มันยากตอนไหนแล้วไหมมันมี ส่วนที่ยากกับส่วนที่ง่ายส่วนที่ยากก็คือจะทำยังไงให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานยากตรงฝึกสมาธินี่แหละนะเพราะสมาธิมีการดัดแปลงดัดแปลงจิตให้ถูกไม่ใช่ดัดแปลงให้ผิด น, นะอย่างจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบมีการกระทำกระทำได้หลายอย่างนะ ทีก็ต้องปลุกเ ร, นะร้ราปลุกเร้ามันทีก็ต้องข่มมันนะทีก็ให้การเรียนรู้กับมันนะทำได้หลายอย่างเป็นศิลปะนะเป็นศิลปะของการปฏิบัติตรงเนี้ยใช้เวลาภาวนาจริงๆนะเป็นเดือนพระที่มาบวชเนเข้ามาเดือนแรกๆเนี่ย ฝึกให้ได้สมาธิที่ถูกต้องเพราะถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจเจริญปัญญาไม่ได้จริงจะฟุ้งซ่านแล้วการจเจริญปัญญาไม่ใช่การคิดมันเลยขั้นคิดนะแต่มันเป็นการขั้นเห็นเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจไม่ใช่คิดงั้นมาอยู่ที่นี่ต้องรื้อพื้นฐานกันใหม่หมด แต่ทังอาจารย์เก่งนะช่วยหลวงพ่อสอนเลยมาก็ต้องรื้อใหม่ฝึกแบบพระไม่ได้เหมือนฝึกอย่างโยมฝึกแบบพระเนี่ยฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับฝึกอย่างโยมตื่นขึ้นมาบิดขี้เกียจก่อนนะตะลีตะลานไปทํางานอาบน้บํามั่งไม่อาบบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> วันวันเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไร อ, อ่อน ใจฟุ้งสัน้นเนี่ยมาที่เนี่ยไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นบางคนจะขอมาบวชบอกตอนบวชเนี่ยจะขอเขียนให้ธรรมะอะไรสั้นๆอ่อานทำคำสอนได้ไหมไม่ได้ยางงั้นไม่ต้องบวชเขียนอยู่ที่บ้านนะบวชล้วก็ต้องเป็นนักบวช อ่านใจตัวเองไม่ใช่อ่านธรรมะของคนอื่นละธรรมะที่เราฟังหลวงพ่ออ่านจากหลวงพ่อมันธรรมะหลวงพ่อธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวทางใครทางมันเรียนรู้เอาอันนี้สงสัยอะไรดีขึ้นเยอะแล้วล่ะเพ่งน้อยลงแน่นน้อยลงแตนะ่ยังเหลืออยู่ใช่ค่ะ ลูกลุกคิดว่าลูกติดอยู่ในภพนักปฏิบัติจฉนั่นแหละนั่นแหละนะเป็นภพที่ดีเราสร้างมันขึ้นมาเรียกว่าปุญญาพิสังขารตัวภพก็คือตัวสังขารนั่นแหละสังขารที่เป็นบุญก็คือสังขารของผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็คืออาัตตากิลมฐานุโยกสังขารที่เป็นบาปเอาปุญญาพิสังขารพวกปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปอีกพวกหนึ่งเห็นว่า จิตกระทบอารมณ์นะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์นั้นเรียกอาเ น, นชาพ่สังขารสามาเนี่ยไม่เอาผิดแล้วทําไงที่จะถูกละชั่วชั่วต้องไม่เอาทำดีแต่มีสติกํากับนะมีปัญญากํากับทําไปไม่ใช่เพื่อเอาแต่ทําไปเพื่อลดละ ที่เราภาวนาแล้วเราเที่ยวบังคับตัวเองอะไรเนี่ยเราภาวนาเพื่อจะเอาเราไม่ได้ภาวนาเพื่อลดละกิเลสแต่ภาวนาอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากได้มรรคผลให้รู้ทันไอ้ความอยากอย่างนี้นะทำให้เราปลุงดีส่วนอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสเลยก็ปลูงชั่วไปค่อยเรียนรู้ไป แล้วคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนจิตไม่ค่อยตั้งไม่อยู่ที่ฐานแล้วปัญญามันล้ําโยค่ะปัญญาล้ําไม่ได้ปัญญาล้ําสมาธินะกลายเป็นฟุ้งซ่านกลับมาทิ้งปัญญาไปเลยกลับมาทำความสงบให้มันแน่วแน่ลงไปขอบข อ, อบขอบขอบขอบขอบขนะอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบอบขอบขอบขอบขอบนเบขอบขอบขอบขอบขอยขอบขอบขอบขอบขออ แต่เดิมก็สอนสมาธิแต่ฟังไม่ออกนึกว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิหลวงพ่อเข้มงวดเกี่ยวเรื่องสมาธิมากเลยตอนบวชที่ส่วนโพบวดใหม่ๆนะคนไปหาเนี่ยสอนเรื่องไม่เผลอกับไม่เพ่งถ้าไม่เผลอกับไม่เพ่งก็คือรู้นั่นเองจิตผู้รู้ไม่ไม่เผลอจิตผู้รู้ไม่ไปเพ่งไว้นะปล่อยให้มันทํางาน มรส ก, การหลวงพ่อครับ ม, มาส่งกันบ้านครั้งแรกครับดีที่ภาวนาใช้ได้ครับช่วงนี้มันเห็นสภาวะมันยกใหม่เงี้ครับเห็นสภาวะมันเป็นทุกข์ไปหมดเลยครับทั้งดีไม่ดีปิติสงบมันเห็นจิตเวลาเคลื่อนมันก็เป็นทุกข์เออดูแค่แหละดีแล้วก็มัน พอเห็นอย่างนี้มันเลยเห็นว่ามันลเเห็นรือป่าไม่น่ารักเว่าพอเห็นมันเป็นทุกข์เห็นมันไม่น่ารักแล้วไม่อิ่มอกอิ่มใจอ่ะครับมันซอนว่ามันให้รู้ทันเข้าไปด้วยนะมันฟึ้พอใจในปัญญาของเรานีครับให้รู้ทันเข้าไปอย่างนี้ถูกถูกไหมครับถูกครับพวนาได้ดีนะที่หลวงพ่อบอกให้ดูต่อไปท่านนะพอเราเห็นความจริงแล้วมันมีปิติขึ้นมาครับ พอมีปิติเนี่ยอย<ม>่าให้ปิติครอบงำใจ ร, นะรู้มันเข้าไปอีกทีรู้มันด้วยความเป็นกลางนะภาวนาดีนะใช้ได้เลยหลวงพ่อขับคอถามอีกเรื่องครับผมทำสมาธิไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ก็ดูจิตเอาแล้วเดี๋ยวสมาธิมันเกิดอัตโนมัติหลวงพ่อก็เคยเจอหลวงปูด่ดูนะท่านก็สอนตานนั้นดูจิตอยู่ อยู่จิตรวมพูดลงไปโลกธาตุดับเลยเหลือที่จิตดวงเดียวร่างกายเขาไม่มีหลวงปู่ดูลินเขบอกจิตเป็นข้าสมาธิหลวงพ่อก็บอกท่านบอกผมไม่ได้เข้าสมาธิผมดูจิตอยู่เห็นจิตเป็นทํางานท่านบอกว่าการดูจิตนั้นจะได้สมาธิอัตโนมัตินะงั้นเราดูไปเดี๋ยวสมาธิก็เกิดได้แล้วพอมันเกิดได้ระดับหนึ่งเราค่อยฝึกสมาธิจริงจัง แล้วถ้าอยากพุทธโทรผมพอพุทธโทรมันมันมันหายใจด้วยแต่ผมไม่เข้าใจตรงบริกรรมอะครับเออหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรไปไม่เป็นไรครับแล้วพอใจสงบพุทธโทรก็จะหายไปเหลือแต่หายใจพอใจสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปอีกครับอย่าตกใจนะบางคนหยุดหายใจพุ๊ตกใจสมาธิแตกนะกลับมาฟุ้งซ่านเหมือนเดิม ไม่มีใครจำไว้เลยนะไม่มีใครภาวนาแล้วตายหรอกมันหลอกเราเรารู้สึกตกใจอุยมันไม่หายใจแล้วรีบหานะบางทีหาลมหายใจไม่เจอมนรู้ไปหยุดที่ไหนสู้เอาดีภาวนาตกใจกรา บ, รบนามัสการเจ้าค่ะยมมาส่งการบ้านเป็นครั้งแรกเจ้าค่ะ สิ่งที่โยมทําไปไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะถูกนะคะแต่จิตตอนนี้ไม่เข้าฐาน <c oughs> จิตตอนนี้อยู่ข้างนอกรู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ให้รู้ทันว่าหลวงปู่ดนว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมูทยัยคือมันมีตันหามันถึงทะยานออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเราเห็นความอยากอยากรู้อารมณ์จิตมันจะทยานออกไปหรืออยากปฏิบัตินะจิตก็ทยานเจยังติดเพ่งนิดหน่อยเจ้าค่ะ นะแต่ว่าไม่ไม่ร้ายแรงอย่างคนที่กดผมเนี่ยติดเพ่งร้ายแรงแต่เดี๋ยวนี้เบาลงแล้วละ่ะก่อนหน้านี้แรงกว่านี้นะดวออกว่าออดีขึ้นแล้วอย่าให้ใจออกนอกแล้วก็อย่ายกใจขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยกลัวมันจะหล่นลงมาหรือพิดันมันไว้นะ ไม่ดันขึ้นไปไม่กดลงม า, าไม่ส่งไปข้างหน้าไม่ส่งไปข้างหลังไม่ส่งไปข้างซ้ายข้างขวาไม่ส่งข้างบนข้างล่างนะา ค, คอยรู้อยู่ปัจจุบันต้องเอาฐานจิตอยู่ที่กายหรือไม่ไม่รักษาจิตนี้ไปจากกายให้รู้ทัน จ, จิตกลับมาอยู่กับกายก็รู้ทันอย่าพยายามรักษาเลยการรักษาไม่ใช่หน้าที่ของเรา การรักษาเป็นหน้าที่ของสติสติทาหน้าที่อารักขาจิตงันะ้นปล่อยให้จิตทำงานแล้วเรามีสติตามระลึกไปนะจิตได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะอย่าไปแทรกแซงน ะ, ะ่าทำอะไรกรับหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะนะฟังหลวงพ่อแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามแล้วก็บางทีติดปัญหาอะไรก็ พยายามฟังเรื่อยๆแล้วก็แก้ปัญหาสังเกตตัวเองเยอะๆนะคะฟังหลวงพ่อมาวันนี้อยากได้ยินว่าอยากส่งกันบ้านดูค่ะออยากก็รู้ว่าอยากนะรู้ทันจิตใจเป็นไงรู้ไปเสียงหมดละเสียงหแหบแแบกับหลวงพ่อเจ้าค่ะครั้งแรก ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาได้ปีกว่าดูใช่ลมหายใจกับกายเป็นฐานของสติดีที่ปฏิบัติอยู่ไม่ไม่ทราบว่าอย่าอย่าให้มันนิ่งเฉยๆอยู่นะดูกายก็พิจารณาลงไปให้เห็นนะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดคิดนะนะแต่รู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี่เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกระดิกได้หลวงพ่อขาคือคิด คิดไปเลยคิดไปก่อนอย่างนี้ใช่คะหรือตอนแรกก็คิดไปก่อนก็ได้นะแต่ที่ถูกเนี่ยไม่ใช่การคิด ค, คิดเรียก ว, วิตกแต่ตัวนี้เป็นการหมายรู้มีสัญญาเข้าไปมองคือมีมุมมองเวลาเห็นกายมีมุมมองว่ากายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวลาเห็นจิตก็มีมุมมองว่าจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นการมองของมันนะไม่ใช่การคิดเจ้าค่ะหลวงพ่อ อย่างในกายเนี่ยกายานุปัสสนาเนี่ยมีทั้งหลายบบที่ง่ายๆบบแรกๆเนี่ยจังง่า ย, ายบับแรกอานาปานาสติลมหายใจออกลมหายใจเข้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดดับสืบเนื่องกันไปตรงเนี้เราเห็นอันนี้จังง่ายเจ อ, ยอิเดียบที่สี่เนี่ยเราจะนั่งไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนอิเดียบทเราเห็นเลยทําไมเปลี่ยนอิเดยบทเพราะมันทุกข์ งั้นอิริยาบทเนี่ยมันสอนทุกขังง่ายตัวทุกขังนะสัมภชัญยะความเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งของกายไม่ได้ดูว่าเคลื่อนไหวแบบยืนเดินนั่งนอนอะไร น, นะเคลื่อนไหวแบบยังไงก็ได้นะอันเนี้ยดูยากเราจะมาดูทีละช็อตเนี่ยยกมืองี้ยกงี้งี้โอ้าสศาสตร์กินให้มองภาพรวมลงไปเลย ว่ามันเป็นอนัตตาไอตัวที่กําลังเคลื่อนอยู่เนี้ยตัวที่กําลังหยุดเนี่ยไม่ใช่เราดูอย่างนี้ไปเลยหลงพอแล้วเวลา <c oughs> สมมุติว่าฟังหลวงพ่ออยู่ยนี้ใช่ไหมคะเสียงที่กระทบอย่างงี้ให้ดูที่ที่ไหนคะหลวงดูที่ใจดู <c oughs> ที่ทใจแต่เวลาจะฟังให้รู้เรื่อง <c oughs> ต้องฟังไปคิดไปเพราะเรารู้เรื่องเพราะคิดไม่ใช่รู้เรื่องเพราะฟังสังเกตไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิด อตรงที่รู้เรื่องอ่ะตรงที่คิดหลวงผููเดินถึงบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดงั้นเวลาฟังก็ต้องสลับกับการภาวนาอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าคกคิดมากวาเวลาเราฟังนะถ้าเราจะฟังอะไรเป็นงานเป็นการสติจดจอกับการฟังน ะ, ะแล้วมีสมาธิในการฟัง มีปัญญาไข้ครวนคิดในเรื่องที่เราฟังนี่เรื่องโลกโลกแต่ถ้าลงมือปฏิบัติเนี่ยตากระทบรูปจิตเป็นยังไงรู้ทันหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลอกุศลให้รู้ อ, ๆๆรอยู่ตรง น, นี้ที่ฝึกในชีวิตประจําวันนะขอขอบพระคุณคะ่ะอ้าวคนสุดท้าย อยู่ที่ไหนเอ่ยห น, นุ่มแว่นอ่ะอย่างงมากงมงรู้ว่างงสงสัยรู้ว่าสงสัยคนกวารู้ว่างงอีแลวรู้สึกไหมหลวงพ่อพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าพยายามหา การดูจิตเนี่ยให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้ไม่ต้องไปเที่ยวหาถ้าไม่เห็นก็คือไม่เห็นไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเที่ยวหารู้ว่าเที่ยวหาใช้ได้เที่ยวหาอยู่ไม่รู้ว่าเที่ยวหากําลังลงอยู่รู้สึกไห้จิตมันเที่ยวหาเวลาคิดเนี่ยมันหาอะไรหาคําตอบรู้ท่านว่าจิตมันเที่ยวหาครับ กาบนัสกสการ์หลวงพ่อครับผมฝึกตามแนวทางหลวงพ่อมาเกือบประมาณสิบปีแล้วครับอืก็แต่ตอนนี้คือฝึกใหม่ๆมันก็จะมีความสุขนะครับแต่ช่วงหลังมันก็จะมีความทุกข์นะครับทุกบ้างสุขบ้างมีสภาวะเปลี่ยนไปตอนใหญ่ออนั้นแหละครับแต่เดีนี้มีปัญหาคือว่าบางทีมันเหงามันเศร้าความสุขมันหายไปครับแล้ว แต่ส่วนมากที่มีปัญหาผมตอนนี้คือมันเกิดสภาวะกลัวนะครับกลัวมากนะครับแม้บางบางครั้งความคิดพอจะคิดปุ๊บแล้วมันก็เกิดอาการกลัวแบบนี้นะครับรู้ทันเข้าไปเลยนะครับมันกลัวมันเศร้ามันเหงาอย่าให้มันครอบใจครับดูให้ตรงตรงครับก็พยายามดึงออกออกมาดูให้มันคือมันจะแยกกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้อาการกลัวมันกลัวมากผมอดูเข้าไปนะ เลยคิดว่าผมป่วยหรือเปล่านะครับต้องไปหาจิตแพทย์เลยก็ต้องไปหาไม่ไม่ถึงขนาดจิตแพทย์หรอกแต่หาแพทย์น่ะได้ครับนะต้อง<พ>ใช้ยาช่วยไหมครับพออายุเราเยอะขึ้นอ่ะนะสมองมันก็เริ่มเสื่อมลงแต่ว่าที่หัดทีแรกมีความสุขอะ่ะแล้วภาวนาไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีความสุขะเป็นเรื่องปกตินะหัดทีแรกยังอินโนเซนอยู่ยังเด็กอะ่ะเด็กเล็กๆนะันเด็กไบเรียนเรียนมหาวิเลยวุ้มีแต่ความสุขนะ พอเรียนมากเข้ามาเข้าเรียนจบแล้วมันทำมาหากินนี่มีแต่ความทุกข์ละการปฏิบัติก็เหมือนกันในขั้นเริ่มต้นอ่ะมันมีความสุขมันไม่เคยมีสมาธิแล้วมันได้สมาธิมาจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาไม่มีความสุขนี้พอเราเดินปัญญาเอาจิตไปทํางานแล้วคราเนี้เอาจิตไปเดินปัญญาดูกายดูใจจะเห็นแต่ทุกข์นะมันไม่สุขต่อไปแล้วละเราะฉนั้นอย่าตกใจภาวนาแล้วเห็นแต่สุขนะไปไม่รอด มันก็คือเป็นเด็กไม่เลิกนะเพราะความจริงของโลกนี้โลกนี้คือทุกขนะ์ใครยังเป็นเด็กอยู่บ้างภาวนานแล้วมีแต่ความสุขมีไหมเนี่ยหลวงพ่อเทียบกับเด็กอนุบาลไหมเฮฮาเห็นหนอนก็ไปจับเล่นอู้สวยอย่างเงี้ยนะเห็นถ่านไฟแดงๆก็สวยอยนะไรมันยังเบอร์จินมาก มองโลกแบบสะอาดแต่พอผ่านชีวิตจริงเรียนรู้ชีวิตเรียนความจริงของชีวิตทุกทั้งนั้นเลยไม่เห็นทุกไม่เห็นทำนะแต่เวลาทุกข์แล้วใจเบื่อหน่ายใจท้อแท้ใจหดหู่ยียบร่อยให้ครอบใจใจวิตกกงังวลเราจะทำได้ก่อนตายไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะกงังวลให้รู้เข้าไปเลยว่ากางังวล อยาให้มันครอบใจพอไหวไหมไหวไม่ไหวก็ต้องสู้เหมือนเหมือนคนตกน้ำนะไม่ว่ายน้ำท้อใจจมน้ำตายนะต้องสู้แบบพระมหาชนกว่าไยไปเรื่อยดนันเอาชื่อท่านไปตั้งเป็นมะม่วงที่ <c oughs> <c oughs> รู้จักไหมมะม่วงมหาชนกคนอเมริกามีไหม พอแล้วไม่มีเสียงแล้วไปเชิญกลับบ้าน